ทรงตรัสว่าวัตะโตโลโกโลกนี้มันหมุนไปไม่มีสิ้นสุดอันนี้ขอให้พาคันเอาไปคิดไปกลองที่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าชักจูง พ้นทั้งหลายให้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความหมุนเวียนของโลกนี้การที่ชีวิตของคนเรามันหมุนเวียนไปตามวัฏจักรอันนี้นะมันไม่มีความสุขเพราะอะไรมันจึงไม่มีความสุขก็เพราะเหตุว่า มันไม่ได้อะไรตามประสงค์เมื่อได้สิ่งใดมาแล้วหน่อหนึ่งก็มีอันเป็นไฟแล้วแปรปวนไปแตกดับไปตลอดถึงได้ร่างกายอันนี้มาอยู่ไปอยู่ไปรักษาดูแลไปไปไปก็ทำรุดทุดโทมไปในที่สุด ก, ก็แตกดับลง ไอ้จิตผู้ที่อาศัยอยู่ในร่างอันนี้นะมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเนพราะเมื่อมาอาศัยอยู่ในร่างได้แล้วก็ไปหวงแหนสำคัญว่าเป็นกายเราของเราอย่างนี้น ะ, ะเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรนไปมันก็ต้องเดือดร้อนน ะ, ะต้องเป็นทุกข์อะไร อะไรร่างกายแล้วก็ยังอะไรสิ่งภายนอกอีกโมนี่มันความหลงของจิตเนี่ยมันทำให้ผูกพันอยู่กับโลกอันนี้มันถึงได้เป็นทุกข์ขอยพากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จิตใจที่มันดินลนไปกับวัะสงสารอันนี้ พราะพระ เ, เจ้าเปรียบไปเหมือนกับลิงที่มันเต้นโตนโยนไปตามป่าใหญ่ขั้วกิ่งนี้ได้แล้วเอาไปดูไม่มีผลผลว่างกิ่งนี้ขั้วใสกกิ่งนั้นไปไอ้กลัวจะได้กินผลไม่แต่ละครั้งนี่แสนยากเพราะไม่ในป่าไม่ใช่ว่ามีหมากมีผล ุกต้นไปหามีได้บางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีอันนี้ฉันใดพระองค์เจ้าเปรียบไว้ว่าแต่ จ, จิตใจของบุคคลที่ผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ <c oughs> เมื่อผูกพันไปแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายอันนีนะ้เป็นสุดที่รัก เต็มที่เลยแหละมันก็ยังไม่ได้สมหวังไม่ยั่งยืนให้เลยอย่างนี้นะนเรื่องสิ่งอื่นภายนอกนั้นมันก็ยิ่งแล้วแหละร่างกายในประคบประงมรักษาดูแลอยู่ทุกวันทุกเวลาพานนี้มันก็ยังชารุดสุดโทมแตกตับไปอยู่อย่างนี้ก็ลองคิดลองพิจนารณาดูให้ดี เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็จะเกิดนิดพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละเมื่อเบื่อหน่ายขึ้นแล้วมันก็ทำยังไงบะนี่มันก็ต้องคลายความยึดความถือแหละถ้าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาจริงๆแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้วยังจะไปถือไว้อยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อคลายความยึดถือแล้วจิตมันก็เป็นกลางจะยินดีก็ไม่ใช่จะยินร้ายก็ไม่ใช่ว่านี้นะเพราะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนะมันเป็นของแตกของดับเป็นธรรมดาของมันจะไปยินดีมันก็อยู่เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละเป็นตามเรื่องของมันจะยินร้ายมันก็เหมือนเดิมนะมันก็แปลปวนแตกดับอยู่อย่างนั้นแหละ ผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้วางอุเบกขาลงต่อน้ำต่อรูปหรือขันหานนี้นี่เป็นหน้าที่ของผู้นับถือพุทธศาสนาจะต้องโน้มสติเข้าไปฝึ ก, กจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วจเจริญปัญญาค้นคว้าพิจารณา ดูความจริงของร่างกายอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงพระพระุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะวิธีกรรมอย่างอื่นเพราะการบวงสวงการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มาช่วยตนในพ้นจากทุกข์จากภัยต่างๆเหล่านี้นะไม่มีพระองค์ไม่ได้แสดงสั่งสอนไว้เลย พระองค์ทรงสอนให้มาพิจารณาร่างกายสังขารที่ตนอาศัยอยู่นี่เนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะปล่อยจะวางถ้ามันปล่อยวางได้แล้วมันจึงจะหลุดพ้นจากความหมุนเวียนของวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้เห็นเป็นอย่างนั้นวัฏฏะนี้ท่านหมายเอา อกิเลสกรรมวิบากนี่นะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นเป็นเหตุให้คนเราทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างทํากรรมไม่ดีไม่ชั่วบ้างนีนะ่เมื่อบุคคลละโลกนี้ไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็นําให้ไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้าง เ ว, เวลาใดที่บุญกุศลมันให้ผลก็ ม, มีความสุขความสบายไปคันเวลาใดบาปมันให้ผลก็มีความทุกข์ทนทรมานไปอย่างนี้อ้จางอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี่แหละเกิดมาแล้วก็มาเสวยวบากรรมอยู่อย่างนี้ไอ้ผลของวิบากรรมนั่นแหละมันก็ก่อให้เกิดกิเลสอีกอืม เช่นเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วขาที่บุญตัวน้อยมีอะไรก็มีน้อยไม่ไม่สมประสงค์อดอดอิ่มอิมอ ม, มันถึงได้เกิดความหิวความอยากขึ้นมาเป็นเหตุให้ไปทำกรรมอันชั่วช้าลามกเพื่อให้ได้สมบัติเข้าของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพนี่มันก็เริ่มทำกรรมดีกรรมชั่วไปแล้ว อ่าวบางทีก็เพื่อนชักชวนไปทําบุญําทางก็ไปกับเพื่อนอ่าเมื่อเพื่อนชักชวนไปทําบาปข่าสัตว์ตัดชีวิตดื่มเหล้าเมาสุราเหล่านี้ก็ไปกับเพื่อนไอชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็คงรู้ดีแล้วอะไรนี่นแบบกรรมดีกรรมชั่วที่คนทั้งหลายทําอย่างนี้มันก็ เป็นเครื่องรองรับอุดมคติที่ให้ไปเกิดในภพนั้นในชาตินั้นแล้วแต่กรรมดีกรมชั่วที่ทำนั้นมันจะนำไปเกิดที่ไหนก็ต้องได้ไปเกิดที่นั่นตามความตามกำลังของบุญกรรมวาปกรรมนั่นนั่นไอ้บุคคลหาได้เลือกที่เกิดได้ตามสบายไม่เพราะเหตุใดเออเพราะว่า ตนสร้างบุญสร้างกรรมบาปกรรมขึ้นมาแล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันก็มีอำนาจเต็มที่อยู่ในจิตใจของคนเราอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อตายลงแล้วมันไม่มีอิสระอะไรในจิตใจแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมมันจะนําไปอืให้เข้าใจให้มันชัดๆเรื่องนี้นะ่ะดังนั้นะเมื่อผูใ้ใดอยากมีความสุขความเจริญ ทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็เว้นกรรมอันชั่วออกไปเสียแล้วทําแต่กรรมอันดีใส่ตัวของตัวไว้รักษากรรมดีคือบุญกุศลไว้ในใจของทนให้สม่ำเสมอไปไม่ให้มันเสื่อมอตัดเสียซึ่งบาปกรรมความชั่วไร้ทั้งหลายไม่กระทามันเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะเอออย่างนี้นี่ทัณฑ์โลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็จะมีแต่ความสุข ความทุกข์จะไม่ตามครอบงำย่ำยีเพราะว่าไม่มีบาป ก, กรรมจะติดสอยห้อยตามไปให้ผลมีแต่บุญกุศลเท่านั้นอำนวยความสุขให้ในพบนชาติที่เกิดนั้นอั้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะองค์ทรงพระประสงค์ให้มนุษย์เราปฏิบัติอย่างว่านี่แหละให้พิจารณาตัวเองให้ได้ว่าใน กายวาจาใจของตนเนี่ยมันมีความชั่วอะไรแฝงอยู่ในนี้บ้างนี่นะพ่อสําสคัญอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ากิเลสปาประธรรมทั้งหลายนั่นใครจะละให้ใครก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ละให้ใครไม่ได้เป็นได้เพียงพ ร, ออพระองค์บอกอุบายละกิเลสให้เท่านั้นเองเนี่ยผู้ใดจําอุบายที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วน้องเข้าไปสอนใจของตนเอง ให้ให้จิตใจมันเห็นแจ้งว่ากิเลสนม่ควรละแท้ๆไม่ควรสะสมไว้อย่างนี้นะให้มันเห็นแจ้งอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไปสะสมกิเลส ไ, ไว้ตราบใดก็เข้าว่าสะก็เท่ากับ ว, ว่าสะสมทุกข์ให้เกิดมีขึ้นในตนอยู่ล่ำไปอย่างนั้นเมื่อมันเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมสั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้น แต่คนส่วนมากมันไม่เห็นอย่างนี้เลยเรื่องมันนะมันไม่ค่อยจะพิจารณาเห็นโทษข้องกิเลสตัณหาบาปประทมอะไรเลยแล้วว่าอยู่ไปตามยถ า, ากรรมไปอย่างนั้นเฉยๆดีนะแต่ละวันแต่ละคืนหาอยู่หากินไปแล้วก็หาความสนุกเพลิดเพลินในการสังคมในมโหสพคบงันต่างๆไปอเออเช่นนี้เราก็ถือว่าตนมีความสุขแล้ว เอาหาเงินหน้าทองได้พอสมมาสมควงก็ถือว่าตนมีความสุขแล้วใช้จ่ายเงินทองนั้นไปหาความสนุกสนานชั่วคราวคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้เป็นเช่นนั้นชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าความเพลิดเพลินมัวมาเหล่านั้นมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เหมันเป็นทางไปสู่ทุกข์ มันเป็นอย่างนี้นะเป็นทางไปสู่ทุกข์แล้วก็มีแต่เพลิดเพลินเนี่ยเพลิดเพลินมัวเมาการดูการฟังเหล่านั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่มีลองคิดดูหรือว่าอ๋อมันสนุกสนานดีสนุกสนานก็จริงอยู่แต่ว่าจิตใจมันทักเต้ามองคุณมัวอยู่นั่นแหละแล้ว เงินทองล่อยหลอลงไปเนื่องจากว่าชอบไปจ้างดูมหาลักษคบเงินอยู่บ่อยๆเงินทองมีเพียงไม่มากก็หมดไปหมดไปเมปืม่อเงินหมดไปแล้วก็เดือดร้อน น, ะนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตนและแก่ส่วนรวมเลยบุคคลมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่เห่อไปตามโลกนิยมของเขาก็ตั้งหน้าสํารวมจิตสํารวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบุญคุณเท่านี้แหละจะนําเราให้พ้นทุกข์ไปได้เป็นขั้นเป็นตอนไปจะให้ดิ่งถึงพระนิพพานทีเดียวเลยเนะี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานได้นะมันต้องสร้างบุญให้เต็มะก่อน ถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มแล้วไม่มีทางจะถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นผู้เชื่อว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เอาสิอตั้งใจสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแต่ละวันแต่ละคืนให้จิตใจมันอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่เลยไปอย่าให้มันไปอยู่ด้วยบาปอืมนี่แหละกันที่เราทําจิตให้ รู้ยิ่งก็เท่าไรบุญก็ยิ่งหลายขึ้นเท่านั้นนะนี่เรียกว่าเราทําบุญทางใจอืมเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยเชนี้เห็นแจ้งตามปัญญาเข้าไว้แล้วก็มันก็ไม่สงสัยแล้วว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยืนมันยั่งยืนนะอันนี้ที่เจรณาเห็นว่าร่างกายอันนี้มันเป็นทุก ทนได้ยากลาบากทุกยังไงทนได้ยากลาบากอย่างไรเอาลองลองไม่รับประทานอาหารลงสักวันสองวันสามวันลองดูสิมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละร่างกายนี่มันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็ทุรุนทุรายอ่อนเพียแล้เหี่ยใจเข้าไปเป็นลมหน้ามืดตาลายเข้าไปนั่นแหละนั่นจึงว่ามัน มันพอบันเทาทุกข์อยู่ได้เนี่ยเพราะเราอาศัยอาหารในหล่อเลี้ยงนะอืนหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ไว้เหตุนั้นมันถึงไม่ทุรนทุรายมากนี่นะแต่แล้วถ้าลองคิดดูอ่ะไอ้ธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าอันนี้นะมันจะรับอาหารอันนี้ไปได้นานเท่าไหร่ ไฟธาตุหรือน้ำย่อยอาหารเหล่านี้นะมันจะย่อยอาหารที่เรารับประทานก็ไปนี่สม่ำเสมอไปได้นานเท่าไหร่ลองคิด้องคำนวณดู น, นั่นแหละคำนวณดูนี่ก็รู้ได้แล้วผู้ใดก็ดีอก็เมื่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าตายายเพราเราก็ท่านก็เป็นมาแล้วให้เราเห็นแล้วนี่ เมื่อแก่ชรามาแล้วอาหารก็รับประทานไม่ได้อาหารก็ไม่ค่อยมีรสมีชาติอะไรนอนก็ไม่ค่อยหลับมูลี้นะแล้วก็เจ็บหลังเจ็บเอวลุกไปยากนั่งก็ยากตาก็มัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดหูก็อือ้อนี่พูกพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันนะี่นะถ้าใครพูดเสียงเบาๆหน่อยไม่ได้ยินนะ่ะ ต้องได้ถามกันอยู่นั่นแหละเออถ้าใครพูดเสียงดังหน่อยก็ยังชัว่วพอได้ยินนี่ยอันนี้นะเรียวกว่าชะลามันครอบงมแล้วมันก็ํำรุดทุดโทรมไปทุกอย่างอวัยวะร่างกายเหล่านี้นี่นะผู้ที่ยังไม่เป็นเช่นนี้อยู่นานปีนานเดือนไปนานวันไปมันก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละอย่าไปสงสัยเลย เื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปลั่งเลอะไรแล้วนั่นเนี่ยนี่แหละการเจริญปัญญาวิปัสสนานะขอให้เข้าใจเรามาค้นคว้าอย่างนี้แหละเรามาพิจารณาความจริงของสังขารร่างกายในตีแผ่ออกไปให้มันเห็นจะจระแจ้งแช้งเข้าไปอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะสรุปลงได้แล้วว่า ร่างกายอันนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะมันไม่เที่ยงถ้าขืนยึดมั่นของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีสุขเลยถ้าไปยึดมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ป น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขานะนี่มันก็สรุปลงได้อย่างนี้แหละวันนี้นะเมื่อมันสรุปลงได้อย่างนี้มันก็วางสิว่านี่นะก็มันไม่ต้องการทุกข์นี่จะไปยึดเถือขันห้าไว้ทาไมอ่ะ อย่าไปยึดถือของไม่เที่ยงไว้ทำไมก็ต้องวางไว้ตามสภาพของมันเนะ่ปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปตามเรื่องของมันนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะแวันนี้เมื่อเวลาที่บุญกรรมมันยังหล่อเลี้ยงไว้ยังมีกำลังวางชาดีก็รีบเร่งทำความดีเอาตามกำลังความสามารถเอาผู้คลองเลือนก็ต้อง พยายามทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางสุจริตหลีกเลี่ยงการทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางสุจริตให้ได้นี่นรว่าสสำคัญมากการทำมาหาเลี่ยงชีพนี่นะส่วนมากก็ไปทำบาปนั่นแหละอันมีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษได้แล้วผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละถ้าผู้ใดเห็นแก่ปากแก่ท้อง ไม่ได้รับทานอาหารดีๆมีรสอร่อยหน่อยก็เดือดร้อนแล้วอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาปรุงมาทำอาหารกินเข้าไปอไอความอร่อยอันนั้นมันก็อยู่แค่ลิ้นเท่านี้เองหกกลืนอาหารลงไปถึงกระเพาะแล้วความอร่อยนั้นมันหายไปแล้วเท่านี้ก็ไปหลงติดเอาซะเอาเอาแท้อว่าคนเรา ทำบาปเพราะชิวหานี่ก็เรียกว่าเกือบจกทั่วทุกคนนุนเลยเมื่อยังไม่รู้ใจในธรรมน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมา น, นะดังนั้นนะ่ะบางคนก็เกิดความเห็นผิดขึ้นมาว่าเอ้าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ในฉาเนี่มันเกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ไอ้อย่างนี้ก็มีนี่นะ <c oughs> แล้วมันประกาศหรือว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์สัตว์มันประกาศหรือไม่อถ้ามีใครถามเขาอย่างนี้ก็ตอบไม่ได้นั่นแหละนั้นสมมุติเอาทงางนี้อืสมมุติว่าเอาว่าอะว่าสัตว์นี่มันเกิดมาอาสาเป็นอาหารของมนุษย์แต่แล้วมันไม่ได้ว่าสักหน่อยเดียว่มนุษย์ถ้าอาศัยตัรหาความอยากอืม สมมุติขึ้นมาอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายนะ่ะล้วนจะสะดุ้งตอกกลัวต่อความตายเหมือนกันหมดไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ที่ไรฉันไม่ว่าอินทร์ว่าพรหมเหมือนกันหมดผู้ยังเกิดอาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วมันก็ย่อมมีความสะดุ้งตอกความตายอยู่นั่นแหละอืมีแต่คนจํำพวกเดียวที่ไม่สะดุ้งตอกความตาย คือพระอระหันต์เท่านั้นเองนะอันนี้พระอระหันต์ท่านละอุปทานในขันห้าขาดหมดแล้วท่านเห็นแจ้งแล้วในขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยดังนั้นเมื่อขันห้ามันวิบัติแปรปรวนอย่ายังไรท่านก็ไม่เสียใจไม่ดีใจอ่แม้ว่าใครจะมาฆ่ามากวันมายิงมาแทงอะไร จิตใจของพระอาหารหันต์ก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยนี่นะเนี่ยคุณของพระอาหารหันต์วิเศษเหนือโลกเป็นอย่างนี้แหละถ้าจิตผู้ดใดยังยึดมั่นอยู่ในขันธานี่โอ้ยมันกลัวตายนะเขาจะมายิงมาแทงเอาสะดุ้งสุดตัวเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้มันต่างกันเนี่ยให้พากันเข้าใจพิจารณาให้เห็นเรื่องมูนี้แหละ เราจะได้เห็นโทษแห่งความยึดถือและจะได้คลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปเราอยากรู้ได้ว่ารกจิตมันคลายความยึดถือไปได้มากน้อยเท่าใดเราก็รู้ได้ในเวลาที่มีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาอย่างนี้นะเอา้ามันโกรธไหมมันเสียใจไหมก็สังเกตตัวเองดู ทำไม่โกรธไม่เสียใจกับคำด่าว่านินทาติเตียนส่สสนางนานาอย่างนั้นแล้วก็ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปล่อยวางขันห้าปล่อยวางขันห้าได้มันเป็นอย่างนั้นแ ต, แต่จะปล่อยวางหมดอย่างนี้ก็ยังก่อนแต่ว่าปล่อยวางได้ในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งหมายความว่าอย่างนั้น แต่ทีนี้เมื่อเวลาโรคภัยข้าเจ็บเบียดเวียน ร, ร่างกายอันนี้อย่างนี้อา้าวสังเกตดูจิตตัวเอง่ะเป็นยังไงมันไปทุกข์มันดิ้นรนกวนขวายไหมหรือมันอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่หวั่นไหว เ, เราสังเกตดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้ อย่างนี้แหละถ้าหาว่าโครคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วมันดิ้นรนทุรนทุรายอยากจะให้มันหายเจ็บหา้ป่วยทําอย่างไรหนอจึงจะหายเจ็บหายป่วยวิตตกวีจานอยู่นั่นนั่นแหละแสดงว่ามันยึดมั่นอยู่ในขันท่าว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ปล่อยไม่วางแต่ถ้ามัน ร่างกายถึงความวิบัติอย่างนั้นแล้วกำหนดจิตให้แน่วแน่แล้วเพ่งเตือนจิตตัวเองว่าไอ้ร่างกายนี่มันแปรปรวนมันกำลังจะแตกจะดับขันห้าอันนี้น่ะมันไม่ใช่เราตายไม่ใช่เราแตกเราดับเราไม่มีอยู่ในขันห้านั่นขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตน กพิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่หวนไหวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความแตกความตายทำลายขันอันนั้นกำหนดรู้อยู่ว่าขันห้ามันกำลังจะแตกจะดับอยู่ไม่ใช่เราจะแตกจะดับถ้าฝึกหัดอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้เสมอเสมอไป ให้มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้เจมแจ้งในใจเสมอแต่เวลาที่มันยังมีกําลังปกติดีอยู่นี่นะนนเนี่ยนะเมื่อถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ได้สติสิบะนี้ระลึกได้เลยเอยเรื่องนี้เราได้พิจารณาล่วงหน้าไว้แล้วเราไม่สงสัยแล้วรูปร่างกายนี่จะให้มันยั่งยืนท้าวอนอยู่ตลอดไปไม่ได้ดอก อันที่มันแตกมันดับเพราะอะไรเพราะมันหมดเหตุปัจจัยมันเพราะหมดบุญหมดกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วร่างนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงเหมือนต้นไม้ถ้าหากว่าไม่มีน้าหล่อเลี้ยงและไม่มีปุ๋ยจะส่งขึ้นไปเลี้ยงลาต้นแล้วนี่มะโกใบก็เหี่ยวก็เฉาลงไป อืในอยสุกก็ตายยืนอยู่นั่นแหละต้นไม้นะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนะีะรูปร่างกายอันนี้ขนห้างห่านนี้เมื่อหมดบุญหมดกรรมเก่าที่ทํามาแล้วแม้จะอาหารดีๆอะไรมาให้รับประทานก็คืนไม่ลงให้คิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้นแหลอะอไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ได้เฉพาะแต่อาหารอย่างเดียวนะมันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่ แต่ถ้าคนทํามาแต่ชาติก่อนต่างหานี้นั่นะเมื่อบุญกรรมนั้นยังไม่หมดแล้วรับประทานอาหารก็มีรสอร่อยนอนก็หลับดีทําการทํางานอะไรก็ได้ดีนั่งภาวนาก็ได้นานผู้มีกําลังกายแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยให้มันชุดโทมแตกดับไปเสียเปล่าเวลามีกําลังดีแล้วเรานั่งภาวนาเข้าไปเมื่อโอกาสอํานวย นั่งเพ่งบุญคุณทั้งหลายที่เราได้สั่งสมอบรมมาให้บุญคุณทั้งหลายปรากฏขึ้นในใจนี่นะให้เห็นว่าใจเรานี่มั่นอยู่ในบุญในคุณแล้ว่ันนี้เาทั้งนี่ใจนี่ถ้าเราไม่เพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่เนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ว่าบุญคุณเกิดขึ้นใน ใ, นใจได้อย่างไรอ่ะถ้าใจมันหลุดหลีกลุกลนคิดไปคิดมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไปยั่งรู้ไม่ได้เลยอืา นี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธินี่จึงชื่อว่าสำคัญเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วขอให้พากันทำใจสงบให้ได้แต่เมื่อผู้ใดทำใจสงบได้สมควรแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปติดอยู่ในแค่ความสงบเท่านั้นต้องหัดคิดหัดวิจารณ์หัดพิจารณานี่นะเราไม่รู้สิ่งใด กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นในใจถ้าพิจารณาเห็นไม่ได้ก็จำเอาไว้เมื่อได้โอกาสก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังเราก็จะได้หายสงสัยในเรื่องนั้นๆแต่นี่เมื่อไม่มีผู้สงสัยอะไรไม่มีผู้ถามอนีน้ท่านก็ แสดงทำไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละไม่ได้อธิบายเรื่องนั้นโดยเฉพาะถ้ามีผู้สงสัยมาถามเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้นะท่านก็ชี้แจงเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้เจียมแจ้งเข้าไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันโน้มเข้าไปโน้มสติโน้มสัมปชัญญาเข้าไปหาจิตด้วยนะจิตคือความรู้สึกอันนั้น หายใจเขาออ้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือดวงจิตอ่ะความคิดความนึกต่างๆก็ออกมาจากความรู้สึกนั่นเองเมื่อเราไปควบคุมความรู้สึก น, นั้นให้ตั้งมั่นอยู่ดีแล้วอย่างนี้มันก็หยุดคิดลงได้อ่า ม, มันสำคัญอย่างว่าอยู่ที่สมาธินี่แหละเมื่อทำจิตให้สงบได้ชำนิชำนานได้แล้วอย่างนี้การเจริญปัญญามันก็เป็นไปได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะเห็นแจ้งในไตรลักษณยานคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขาร น, นามรูปและสรรพสิ่งทั้งพวงที่เกิดในโลกนี้ล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้